กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาภัยบรณอะพิปุนโนจากวัดป่าดอนนายโศนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทรงเป็นเสียงตามสายตามคลื่นหมายธรรมบังได้ฟังกันเรื่องที่ข้าพเจ้ามาพูดทางสถานีวิทยุในธรมมัังมีอยู่เรื่องเดียว เรื่อจริงๆนันคือเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงค์ท่านฟังไปพูดที่ไหนเนี่ยท่านผู้ฟังคาดหวังไว้เลยคาดหวังไว้เลยเพราะว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยที่พระสงค์นั้นจะต้องพูดเรื่องธรรมเรื่องวินัยนั่นเองเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นเหมือนกับธรรมนูนชีวิตของพระสงค์ล่ะที่จะต้องชักชวนให้ผู้ฟัง ได้มีความอาถานร่าเริงในการปฏิบัติในทางธรรมะที่จะมาให้รูอริยสัจซีมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งความสงสยัยความไม่เข้าใจบางทีมันก็เกิดขึ้นในเนื้อหาธรรมะต่างๆนะบาฟังอันนี้มันก็ธรรมดาจึงต้องมีการมาให เกิดความแจมแจ้งความแจมแจ้งนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยหลายๆอย่างทั้งหมดอยงเช่นว่าเราฟังทําอยู่เรื่อยๆโอ้ข้อมูลตรงนี้มันมาเสริมกับตรงนั้นตรงนั้นที่เราเคยสงสัยไว้ตรงนี้ถูกตอบด้วยตรงโน้นข้อมูลนี้มาช่วยสนับสนุนการขยายไปใช้งานได้อย่างนั้นอันนี้ทําให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้โดยเราะว่ามีการฟังอยู่บ่อยๆ พระบุตรเจ้าจะใช้สาวาเป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตตะหมายถึงการฟังอาจจะทั้งฟังด้วยทั้งอ่านด้วยหรือว่าเกิดขึ้นจากการที่ไปไต่ถามคำถามสอบถามทวนถามกับสมณะปรามผู้รู้ว่ากุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีทำอะไรแล้วมันจะเป็นสุขไปนานทำอะไรมันจะเป็นทุกข์ไปนานได้รู้ข้อมูลทั้ง ส่วนที่ดีไม่ดีหรือความรู้ตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์โดยทั่วไปทั้งผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะมาเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ฟังได้ถามคําถามกันละ่ะโดยคําถามที่ทัางผู้ฟังสามารถที่จะถามนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติหมวดธรรมะในข้อใดๆ การนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเห็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอา้าจะมาแบ่งปันกันเพื่อให้เติมฟังเสนอ น, นั้นได้รู้ข้อมูลต่างๆนี้ก็จะเป็นการที่ดีมากทีเดียวโดยเติมฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปสนียบัดมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่8 ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณียก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่ puredhammamma.com e วันนี้เรามีคำถามของคุณจิตโตคุณจิตโตได้ เขยนถามคำถามมาบ้างก่อนแล้วในครั้งก่อนๆนต่วันนี้ก็ถามมาอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันในข้อแรกถามว่าข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพระหมวดของพระเนี่ยใช้คำว่ากำลังแต่แปลเป็นภาษาไทยคุณจิโตถามว่าคำว่าพระหรือว่ากำลังเนี่ยที่ตัวข้าพเจ้าได้เคยแสดงไว้5ข้อในที่อื่น กด้พูดถึง7ข้อก็มีเราก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเว้นเอาไว้ในเรื่องนี้ท่านมาฟังอันนี้เราต้องเข้าใจบริบทในการแสดงธรรมในสมัยก่อนด้วยในสมัยก่อนเนี่ยบัดดีพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารในวัดหรือตามป่าตามอะไรแล้วก็มีคนเข้าไปถามคําถามแต่ตั้งคําถามพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังตอบให้ตอบให้เสร็จแล้วก็สําเร็จประโยชน์สําหรับคนนั้นภิกษุที่อยู่ที่นั่น เช่นท่านพระอ น, นุนหรือว่าภิกษุรูปอืน่นอ่นพระพุทธเจ้าตรัสอะไรจาไว้นั่นตรัสไว้กับคนนี้จํำมาไว้โดยโบทพยัญชนะอย่างนี้จํำมาไว้เป็นคําของพุท ธ, ธะเราต้องจําเราต้องเอามาใคร้ครวญพิจารณ า, าก็จํำอาไว้คนอื่นอาจจะเข้ามาถามอีกอาจจะเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์ก็ถามไปใช่ไหมทีนี้หมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไปเนี่ยอาจจะซ้ํากันก็มีเช่นกษัตริย์องค์นี้มาถามเรื่องการปกครอง จะทำยังไงให้ปกครองดีใช้คุณธรรม อ, รอะไรวารานีปะบุทจชาก็ได้บอกถึงโรมิฮาน4ี่เป็นต้นมีพระอีกคนหนึ่งมาถามเรื่องของสวรรค์นรกเป็นยังไงแต่เขามีทิฏฐิที่แบบไม่ดีต้องปราบทิฏฐิกันก่อนใช่ก็จะต้องมีการแบบเทคนิคของการไม่ตอบบ้างตอบเรื่องอื่นบ้างหรือว่าก็ตอบไปตรงตรงก็มีในบางวาระภิกษุเข้ามาถามคาถาม ก็อธิบาย เ, าเรื่องตรงนั้นตรงนี้ไปซึ่งส่วนที่ซ้ากันก็มีในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นไปก็มีเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของภะละหรือที่จะเห็นชัดเจนเนี่คือเรื่องของอริยสัพย์อริยสัพห้าอริยสัพเจ็ดจะมีหิริโอตปะเอาบางที่ก็เอาหิริโอตปาเอกไปมีแต่สมาธิกับสติเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการแสดงธรรมในต่างวาระกันจะมีหข้อเหมือนกัน วาระนี้ก็มี5ข้ออีกวาระหนึ่งก็มี5ข้อแต่ใน5ข้อของทั้ง2วาระเนี่ยมีสองข้อที่ไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นรายละเอียดที่ดีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคุณบาอาจารย์ในสมัยก่อนคือภิกษุเนี่ยท่านก็จํามานะคือจาํามา5ข้อตรงนี้จาํามา5ข้อตรงนั้นแต่ท่านไม่ไดเอามารวบรวมกันตัวนี้เป็นข้อที่ดีเพราะว่าจะไม่เรารู้ถึงบริบทในจุดนั้นนั้นว่าอ๋อพระพุทธเจ้ า, าแสดงแค่หนะไม่ได้แสดง7 แต่5ในวาระแรกกับอีก5ในวาระที่สองซึ่งวาระแรกกับวาระที่2อนี่อาจจะห่างกันสักสิปีอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าห่างกันกี่ปีอย่างไรก็ตามแต่พอข้อมูลมาเป็นอย่างงี้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้พระบุริช้าปรมินิพ่านไปแล้วะไม่ได้มีคําสอนใหม่ละมันจะไม่ได้มีห้อย่างในวาระที่สแล้วเพราะฉะนั้นทําให้นักวิชาการหรือว่ากุฎบัญญัในรุ่นหลังเนี่ย ที่เวลาอธิบายธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้มันครบถ้วนท่านก็เลยเอามารวมกันทําให้เราเห็นว่ามันเป็น7อย่างอย่างงี้นะซึ่งไอการรวมกันตรงนี้อาจจะรวมแล้วก็จัดไว้ในอีกหมวดหมู่หนึงก็เรียกว่าอยู่ในอังคุตรนิกายทําให้เราเห็นเป็นอริยทรัพย์7อย่างบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะมาจาก5อย่างในวารคที่1กับ5อย่างในวารคที่2ที่3อย่างเหมือนกันอีก2ออย่างต่างกันไปซึ่งก็แล้วแต่จะหยิบจากตรงไหนมาใช้ก็ได้ทั้งนั้น เพราะว่าคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของธรรมะเองแึ่ถ้าเราจะพิจารณาในหมวดธรรมะฮิริโอต ป, ปะแต่คนที่มีหิริโอต ป, ปะเนี่ยตัมบูฟังพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ในเรื่องของสภายใหม่ควาสามารถที่จะทําให้ไปถึงวิมุตต์เลยก็ได้มันก็ต่อเนื่องกันไปทําให้สติเกิดทําให้สมาธิเกิดเพราะว่าการปฏิบัติในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัมบูฟังเป็นลักษณะที่เป็นไปตามลําดับขัน้น เป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับแล้วก็ไล่กันไปตามลําดับนี่คือเป็นทางมรคไปเป็นมรคเป็นทางที่จะเดินไปเพราะฉะนั้นในจุดต่างๆถ้าจะพูดถึงก็เป็นหลักกิโลเมตรเอาหลักกิโลเมตรที่จะต้องบอกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีท่านก็จะหยิบตรงนั้นตรงนี้น่ช่วงนี้ช่วงนี้มาบอกอีกช่วงนั้นช่วงนั้นเว้นไว้เพื่อที่จะให้คนที่ฟังณนะจุดนั้นที่ท่านได้อธิบายธรรมะหมวดนั้นไปได้เกิดความเข้าใจ สำหรับคนนั้นคนนั้นอันนี้มันสำเร็จประโยชน์นะจุดนั้นผู้ฟังด้วยแล้วก็หนึ่งหมดธรรมะก็ไม่เสียด้วยแต่ประเด็นให้เข้าใจบริบทของการแสดงตามตรงนี้แล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมก็เรียกว่าเป็นภักขวาจำแนกแจกธรรมก็จะจำแนกแจกแจงมาว่ามีอะไรมีอะไรบ้างอันนี้จะมาตอบคำถามของกุณจิตโตในข้อที่สองที่ถามถึงเรื่องของโพชงกับมักแปบ้ แมมันเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยจึ่งอยากจะให้อธิบายตรงนี้เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมเสมอฝังคําว่าพักว่าเนี่ยพระพุทธจำแนกแจกออกจะแนกใจกออกนี่คือจะพาให้ดูเน่เหมือนคนที่เขาเรียนหมอเรียนแพทย์เนี่ยนะเขาก็จะต้องไปผ่าศพใช่ไหมผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาจะจำแนกออกอ๋อหนังเป็นงี้ใต้ผิวหนังนี้มีอย่างนี้ ได้หนังเนื้อไปอย่างนี้เส้นเลือดไปอย่างนี้แจกแยกแยกออกแยกแย ก, แยกออกในการจําแนกแจกออกเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอ๋อในลมหายใจของเราเนี่ยเออมันมีสติปัฏฐานสี่ด้วยนะในสติปัฏฐานสีเนี่ยแยกออกไปเนี่ยมันมีโพชชงเจตนะในโพชชงเจตเนี่ยแยกเข้าไปเนี่ยมีมรรคแปนะมรรคแปรวมกันเข้ามาเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญานะรวมกันเข้ามาอีกเป็นสมถวิปัสสนานะ เหลือสองก็ได้เป็นวิชาวิมุตติก็ได้แต่มีการแยกแจกแจงออกไปซึ่งแน่นอนว่าไอ้ที่แจกแจงออกเนี่ยมันก็จะมีรายเรียดที่มันเหมือนกันแน่นอนอยู่ตัวอย่างเช่นว่าในมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งเนี่ยต้องมาฟังเราสมมุติให้นักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการนะก็ไปเข้าเครื่องแยกสารประกอบออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกได้ว่าอ๋อมันมีวิตามินวิตามินก็จะแยกออกไปกว่าอะไรล่ะ B, ีเอมีไหมซี C, มีไหมมีวิตามินมีเกลือแร่มีไฮโดรคาร์บอนมีคาร์โบไฮเดรตเป็นแบบโมเลกุลแบบไหนมันก็จะแยกกันออกไปอีกแต่ซึ่งถ้าเอาพวกคาร์โบไฮเดรตไปแยกมันก็เป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนโดยองค์ประกอบแบบต่างๆอันนี้ก็ลักษณะการจำแนกแจกต่ำแต่ท่านพระสารีบุตรท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ท่านฟังเหมือนกับรอยเทา้านะว่า ในสัตว์บกทั้งหมดเนี่ยรอยเท้าสัตว์บกที่จะใหญ่ที่สุดก็คือรอยเท้าช้างจะเป็ น, นรอยเท้าสุนัขรอยเท้าแมวก็จะไม่ใหญ่ไปเกินกว่ารอยเท้าช้างจะเป็นรอยเทาา้ทาม้ารอยเท้าแรดก็จะเล็กกว่ารอยเท้าช้างอยู่ดีเช่นเดียวกันตนัวนี้ท่านเบรบเทียบหมายถึงอริยมรรคมีองคปเนี่ยคือรอยเท้าช้างอริยมรรคมีองค์8นะคือรอยเท้าช้าง ธรรมะหมวดไหนๆก็ตามเนี่ยจะสามารถจัดมาลงในมรรคแปดได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นความที่คุณจิตตอรู้สึกว่าโพชฌงเจตเนี่ยให้มันคล้ายๆหรือเหมือนกันกันกบมรรคแนะอธิแดงว่าเรามีความเข้าใจว่าเออมันจัดลงในมรรคแปดมันถูกต้องอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่รายละเอียดมันก็จะไม่เหมือนกันทั้งหมด เ, เช่นในเรื่องของความสง บ, บระ ง, งับหรือธรรมวิจยะหรืออุเบคาเนี่ย มันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปนิดนิดหน่อยหแต่ก็จะจัดรวมกันหน้าอาจจะจัดรวมกันปัจติสมาธิอุเบกขาจับยัดลงไปในสัมมาสมาธิได้ธรรมวิจยะอันนี้จับลงไปในสัมมาทิฏฐิได้สติสัมโพชฌงค์อันนี้ต้องลงสัมมาสติแน่นอนมันก็จะสามารถจัดรวมกันเข้ากันได้ความที่ธรรมะเข้ากันได้เนี่ยต้องฟังอันนี้คือสวาขาโตปะกวาตาตโมที่เราแบบอาจจะ สวดกันอยู่ทุกวันเลยด้วยซ้ำคือความที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยประกาศไว้ดีแล้วคำว่าดีนี่คือตรงนี้เนี่ยมันดีตรงนี้มันเข้ากันได้ลงกันได้เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระกวะาและมีการกำหนดบทเพียนชนะอย่างเรียบร้อยดีงามสวยงามทั้งก่อนระหว่างและหลังเบื้องต้นทํากลางที่สุดทำให้ธรรมะเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้เป็นใบตามธรรมเพราะอะไร พราะว่าพระองเนี่ยเขารบธรรมะมากนับวังเ ป, ปรียบตดูพระองค์เองเหมือนกับราชสีเวลาราชสีจะไปหาเหยื่อเนี่ยเขาบรลือสีหน้าไปก่อนใช่มบึมบึมบึมไปสามครั้งเนี่ยบรลือสีหน้าไปเพื่อที่ว่าแม่พวกสัตว์เล็กๆมันจะไม่ต้องมาลำบากนะเราจะไปกินแต่สัตว์ใหญนะ่มีความคิดอย่างนี้บุรีเทพกับตัวพระองคนะ์เอา้าเทศบอกสอนไปก่อน คนที่มีทิฏฐิดีๆก็ปรับทิฏฐิให้ถูกต้องแล้วตอนี้เหลือแต่พวกที่อาจจะต้องใช้ความสามารถไปข่มขี่ปราบบาท่ามันเป็นค่าสืบให้รับค่าไปโดยธรรมอย่างไรอย่างไรอา้าวเราก็ค่อยมาว่ากันทีนี้เวลาออกไปหาอาหารราชาสีเนี่ยนะจะตะครุบเหยื่อนในตัวฝังต้องตะครุบแบบทีเดียวตายอันนี้เป็นเหลี่ยมคูของราชาสีเพื่อที่ไม่ให้เสียเหลี่ยมกูของเขาเนี่ยเขาก็จะตะครุบให้แบบ ทีเดียวตายเหมือนกับพระองค์เหมือนกันเวลาแสดงธรรมในเวลาแสดงธรรมนะจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบไม่หละหลวมในธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่ว่าจะแสดงกับใครก็ตามวาระนี้วาระอื่นสิบปีผ่านมาหรือเมื่อ20ปีก่อนการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมเพราะว่าเป็นพุทธิเคารพในธรรมเลียมคู่ของความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเหมือนตรงนี้ธรรมบุฟัง จึงมีคำพูดที่ว่าสวากขาโตปะกวาตาตโมธ ร, รมะอันปราผููมีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมันดีจริงๆนะจำ่ว ง, งนะมาพูดมาฟังกันอย่างเนี้ยมทำให้รู้สึกถึงความที่ธรรมะนี้จะพาเราไปในทางเบื้องสูงได้เบื้องสูงนี้คือหมายถึงโลกุตระซึ่งหมายถึงเหนือเหนือโลกเหนือจากการควบคุมของโช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญา จ, จังการวิญ ญ, ญาณ เหนือได้แต่เหนือโลกนี้ไม่ใช่หลุดโลกนะแต่เหนือโลกนี้คือแบบเหนือจากการควบคุมของมันนี่คือคําถามข้อที่2ของคุณจิตโตคำถามในข้อถัดมาพูดถึงเรื่องของรายละเอียดในโพชฌงทั้ง7ในข้อที่เรียกว่าปัสสัตทิสัมโพชฌงปัสสัตทิสัมโพชฌงนี้คุณจิตโตถามว่า เ, เคยได้ยินถึงเรื่องความสงบระงับ6ประการแต่ความสงบระงับ6ประการนี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าสมัยนี้เนะราทำฟังมันเป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสารถ้าเราฟังต้องการทราบอะไรเนี่ยนะโซเชียลแป๊บเดียวมันออกมาหมดแต่ทศกัณฐ์เจ้าจะมาพูดผิดผิดถูกๆูไม่มีที่อ้างอิงนี้หลอกทาำฟังไม่ได้นะมันไม่เหมือนสมัยก่อน ที่ตำราคำพีอะไรเป็นภาษาบาลีาลก็มีเฉพาะพระเจ้าประสงค์เท่านั้นที่แปลได้ก็มาเทศมาบอกสอนให้ฟังชาวบ้านนี่เข้าไม่ถึงข้อมูลพูดผิดพูดถูกอะไรตรวจสอบกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยตรวจสอบกันได้หมดดัมบูฟังจะอ่านเล่มไหนทุกอย่างมีออนไลน์หมดแต่ถ้าดัมบฟังไปตรวจสอบดูนี่จะรู้เลยว่าพ่อชองหกมันไม่มีรอถ้าจะเฉพาะเจาะจงมาในปฏิสติสัมพชงหอย่างย ก็ไม่มีอีกแต่จะมีที่ท่านแยกแยะไว้โดยพุทพุพจน์ก็มีอยู่สองอย่างแต่สองอย่างนั่นก็คือกายที่สงบระงับแล้วก็ใจที่สงบระงับในปัสสัททิเนี่ยแปลวะ่าความสงบระงับมีความสงบระงับทางกายมีความสงบระงับทางใจอันนี้พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ให้ส่วนในอัตถคถาก็ได้พูดถึงเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดปัดสสัตทิอันนี้ มีอยู่ในตัตคกถาแต่ก็ไม่ใช่6อย่างอยู่ดีแต่มีทั้งหมด7อย่างเช่นการเซโภชนะอันปราณีตบรรยากาศที่สุขสบายอยู่ในอริยบทที่สบายหรือการมีจิตน้อมไปประกอบความเพียรพอประมาณมีเพื่อนดีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะของ7ข้อที่จะทำให้เกิดปัสสัที่คือความสงบระ ง, งับได้ก็ไม่ใช่6อยู่ดี ทีนี้นในกรณีคําถามของกุญจิตโตที่พูดถึง6ข้อเนี่ยเอ้าแล้วมันมาจากไหนแต่ถ้าจะให้ข้าพเจ้าเดานะอันนี้เดานะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ากุญจิตโตไปฟังมาจากไหนเหมือนกันแต่ผู้ที่คุญจิตโตไปฟังมาเนี่ยท่านอาจจะหมายถึงตาหูจมูกลิน้นกาลและใจก็ได้แต่ว่าไอ้อายตนะทั้ง6เนี่ยมันระงับไปแต่ตรงนี้จะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ขัดกันแต่มีความลงกัน ผู้ที่อธิบายนั้นก็มีหลักการดีเหมือนกันนะพระบาเอาเรื่องของอายตนะที่มันมีความสงบระ ง, งับลงจากกายและจากใจที่ระ ง, งับเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันอธิบายไปใน6อย่างอย่างนั้นก็คงจะเข้ากันอยู่ทีนี้ในข้อถัดมาที่คุณจิตโตถามในข้อสุดท้ายนี้ถามว่าพระอา น, นุนบรรลุอรหันต์จากการฟังเทศของพระปุญณนะ ก็เลยถามว่าอันนี้เกี่ยวกับว่าแต่ก่อนสมัยอยู่กับพระพุทธองค์นั้นอินทรีไม่แก่กล้าพอใช่หรือไม่หรือยังมีอนุสัยใดคาใจอยู่จริงๆท่านพระอ น, นุนบรลลุธรรมจากการฟังเทศของพระกุณณนะธรรมะที่บรลลุในขั้นนั้นไม่ใช่บรลลุพระอราหันต์ท่านบวงท่านพระอ น, นุ์บัรลุโสดาบันจากการฟังเทศของท่านพระปุณณนะ ไม่ใช่อรหันอรหันนี่นู่นมาบรรลุสมัยที่พระพุทธเจ้าประเดนิพันธ์ไปแล้วได้เจ็ดวันท่นานพระอนุนถึงบรรลุเป็นพระอรหันในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพยอยู่บวชแล้วใหม่ๆนี่แหละจำมาฟังท่งานระอนุนบวชแล้วใหม่ๆได้มาฟังเทศของท่านพระปุณณนะก็เลยบรรลุเป็นสวดาบันหลังจากนั้นก็อีกสักหลายปีอยู่ได้มาเป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้า อุปถามพระพุทธเจ้าเป็นเงาติดกันไปเลยคุณธรรมของท่านพระอา น, นุ์ก็ยังเป็นโสดาบันอยู่ตลอดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าปัณณิพานผ่านไปเจวั น, น, นจึงได้รู้ธรรมเห็นธรรมในขั้นสูงที น, นี้ในเรื่องนี้ก็มีหลายท่านเขาวิเคราะห์กันไปแล้วในบูฟังว่าไอ้ทําไมพระอา น, นุ์ไม่บรรลุธรรมทั้งๆที่อยู่ติด ก, กันกับพระพุทธเจ้าเลยเหมือนเป็นเงากันไปเลยเนี่ยทำไมไม่บรรลุธรรมฟังทุกพระสูตร ฟังทุกข้อความพระพุทธเจ้าไปเองคนเดียวที่ไหนกลับมายังต้องมาเล่าให้ท่านพระอนน์ฟังเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่บรรลนะุหลายๆท่านก็วิเคราะห์กันทำมาฟังในผลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพราะว่าท่านรับภาระในการทรงจำบุคนี้นทำให้ไม่ได้เอาเวลามาใช้ในการวิเวกหรือเร้นเลยยังไม่ได้บรรลุทำขั้นสูง แต่เราว่าทําหน้าที่ในการทรงจําการอุปถักต์มันก็เป็นภาระที่หนักพอสมควรพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานละก็เลยพอมีเวลาในการทํากิจการปฏิบัติของส่วนตัวอันนี้คือคําถามของคุณจิตโตทรรฝัังคําถามจากธรรมฟังอีกท่านหนึ่งที่เราจะนํามาตอบกันในวันนี้คือจากคุณดวงใจคุณดวงใจได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลมารดาปิดาว่าเอเรา ทำงานแล้วโตวใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเงินทองแล้วเอาเราจะเลี้ยงดูมาดาบิดาเนี่ยในลักษณะไหนดีเนะจึงถามมาเป็นกรณีศึกษานะดังนี้ว่าถ้าให้เงินพ่อแม่แล้วแล้วท่านไม่รับแต่ท่านบอกว่าท่านมีเงินออมมากอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอยากให้ลูกเ็ียว้เนี่ยเรื่องนี้เราควรจะทาอย่างไรแล้วเรากลับมาดูที่แม่บทคําสอนก่อนอท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะ ใเรามีพระพุทธประธรรมพระสงค์เป็นที่พึงอันนี้คุณดวงใจทําถูกละเอ้ดเราจะทํายังไงเราตื่นขึงคําสอนของพุทธาก่อนถูกต้องแม้บทที่ท่านให้ไว้ทั้งหมดฝังในเบื้องต้นนี้คือเรื่องของติด ท, ทั้งหกแต่นหนึ่งในหน้าที่ที่บุตรธิดาควรจะทํากับมารดาบิดาเนี่คือหนึ่งท่านเลี้ยงเราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบอ น, นี้คือข้อที่หนึ่งนะหรือถ้าท่านทํากาละล่วงลบไปแล้วเราก็ต้องทําบุญอุทิศให้ท่าน อันนี้คือใน2ข้อหลักๆที่เกี่ยวข้องกับคําตามของคุณดวงใจท่านเลี้ยงเราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบในการเลี้ยงนี้ให้เงินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ ง, ข, ออ ข, งข้อของเครื่องกินเครื่องอยู่อันนี้ก็ซื้อมาก็ได้สมมติว่าท่านไม่ได้รับเป็นตัวเงินเราจะพาท่านไปกินข้าวหรือว่าซื้อกับข้าวมาทําให้กินหรือใช้ใจ่ายในลักษณะที่จะเลี้ยงท่านตอบนะ่ะอาจจะไม่ได้ให้เงินสดก็ได้ หรือในกรณีที่2อนี้ความหมายของข้าพเจ้านะก็เคยเห็นคนอื่นๆเขาทำอยู่นี่ก็คือให้แม่เนะี่ยเปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซะเป็นบัญชีที่ลูกโอนให้แต่แม่จะเบิกมาใช้ไม่ใช้ไงก็เรื่องของพ่อแม่ก็แล้วกันแต่ว่าเราให้แต่ลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้าท่านไม่ใช้ท่านจะเอาคืนให้เราก็ค่อยไว้วาระหลังวาระหลังอาจจะเป็นปีเป็นหลายๆปีมันก็จะเป็นเงินที่ง่อเงอยขึ้นมา ท่นมาดูมารู้ว่าโอ้เราให้เท่านี้ท่านอาจจะแบ่งไปใช้ในเรื่องใดก็ได้อันนี้เราก็แยกไว้อย่างนั้นก็ได้ทีนี้ในกรณีศึกษาที่2ดีคุณดวงใจถามมาเนี่ยถ้าเผื่อบ้านในกรณีที่ให้เงินพ่อแม่แล้วท่านบอกว่าให้น้อยไปไม่พอกับค่าใช้จ่ายลูกควรจะทําอย่างไรหากลูกไม่สามารถหาเงินเพิ่มมาได้ตามที่ต้องการแต่เพราว่าเงินเดือนน้อยอันนี้ก็จึงมีพระสูตรที่2องนั่นบัง ใ น, นในการที่ใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยในกรณีใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าต้องรู้จักส ม, มชีวิตาแล้วก็รู้จักหน้าที่ในการแบ่งจ่ายทรัพย์สองอย่างนะเรื่องของส ม, มชีวิตาเนี่ยได้ตรัสไว้กับกระเบิดีที่ชื่อพยัคฆปัชชะชักอันนี้มาในอังกุตระนิกายหมวดที่8เนี่ยพูดถึงว่าต้องรู้จักการได้มาขอางโพคทรัพย์รู้จักการสิ้นไปของโพคทรัพย์รายรับต้องท่วมรายจ่าย อย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับอันนี้เป็หลักการวกว้างก่อนนะรายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับก็คือเรื่องของ cash flow นั่นเองเรื่องของกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกต้องให้มันสมดุลเปรียบเหมือนกับนายช่างทองหรือว่าคนถือตราช่างเนี่ยเขายกตราช่างขึ้นปุ๊บเขาจะรู้ละ ว, ว่าอ๋อมันขาดเท่านี้เกินเท่านี้เขาก็จะปรับให้มันถูกต้องเพราะน้นเราต้องรู้เงินเข้าเงินออกของเราก่อนอันนี้โดยตัวตัวไปนะหลักการตรงนี้ก็ได้เป็นหลักการของสมชีวิตา อย่าให้ฟุ่มเฟือยนะักเพราะว่าถ้าฟุ่มเฟือยคุณต้องหาอะไรมาอุดแน่นอนต้องกู้หนี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอย่าให้เฟืดอยเคืองนะเ อ, อาแต่มีเงินมากจะมาใช้น้อยมันก็ไม่เหมาะสมก็ต้องรู้จักใช้จ่ายให้มันดีถ้ามีเงินมาหาศาลจะใช้ของดีหน่อยก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงละรู้จักกระแสเงินเข้ารู้จักกระแสเงินออกเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไม่ใช่ว่าต้องมากินถูกๆขับรถดีๆไม่ได้ไม่ใช่นะ แต่รู้จักบริหารตรงนี้ให้เหมือนเหมาะสมทีนี้ที่ว่าเหมาะสมมาสมเนี่ยคือยังไงเงินเข้าเงินออกนี่คืออะไรนังนั้นแรกก่อนก็ต้องอย่าให้เงินมันรั่วไปในทางอบายมกทั้งหลายนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้การเล่นการพ น, นันการครบเพื่อนชั่วการใช้ใจ่ายซับไปในทางไม่ดีพวกนี้อย่าให้เงินไปทางนั้นก่อนอุดรูตรงนี้เอาไว้เพราะว่ารูรั่วตรงนี้มันจะพาไปอบายได้ พาไปในที่ไม่ดีได้เงินทรัพยามาหมดได้นะพนันเนี่ยสุราเนี่ยเพื่อนชั่วเนี่ยมันไม่ดีอุดไว้ตรงนี้แต่ถ้าเงินเราไม่ใช้ส่ายไปทางนี้แล้วนะอุดไว้ก่อนนะค่าบุหรี่ค่าเหล้าเล่เลนหวยหยุดเอาเงินตรงนั้นมาให้พอ่อให้แม่งจะดีกว่าเอาแล้วการแบ่งจ่ายทํำยังไงอันนี้ก็มีในอีกประชุดหนึ่งมาในหมวดของอังคุตระนิกายข้อที่สี่แต่ที่ว่า ให้ใช้โภคทัพย์ที่หาได้มานี่ยังไงเดยที่บอกว่าเงินเข้าเงินออกใช่ไหมแล้วออกเนี่ยออกไปตรงไหนแล้วก็มีฐานะอยู่4อย่างในข้อที่1นึ่งเลยตมุฝังพระพุทธเจ้าให้รู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์แบ่งออกเป็น4ส่วนเนี่ยส่วนแรกเลยคุณแบ่งก่อนเลยในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้ก่อนนะเลี้ยงตนเองเราต้องกินเท่าไรเราต้องอยู่เท่าไหร่กินยังไงอยู่ยังไง ต้อรู้จักทำงบประมาณข้อที่2มารดาปิดามารดาบิดานี่ข้อที่2นะข้อที่3บุตรภรยาทาตกรรมกรทั้งชายและหญิงแต่ข้อที่3นี่ก็คือจ่ายลูกน้องครอบครัวของเรา น, นี่ข้อที่3ข้อที่4ในการที่จะพวกคู่ค้าหรือว่าเพื่อนอันนี้ก็เลี้ยงเป็นข้อที่สี่ น, นี่คือในอันดับแรกทางที่1เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามลำดับการตรัส ตรงนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าในให้ความสําคัญในเรื่องของมารดาบิดาก่อนก่อนบุตรภรรยาด้วยซ้ําก่อนคนในครอบครัวของเราสมมติเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าเป็นสามีหรือลูกอันนี้ให้ความสําคัญน้อยกว่ามารดาบิดานะอันนี้เราต้องไล่กันให้ถูกทีนี้ในเรื่องของความขัดสวนในเรื่องของโภคทรัพย์เนี่ยมันก็เกี่ยวกับว่าเราได้ทําทานมามากหรือน้อยด้วยเหมือนกันนะ เพราะไม่งั้นจะไม่มีคนขัดสนในโลกนี้คนที่เขาได้ให้ทานมาทาให้เขามีโภคทรัพย์ในปัจจุบันนี้ก็มีคนที่ไม่ได้ให้ทานมาหรือให้ทานมาน้อยถ้าไม่มีการขัดสนในเรื่องของโภคทรัพย์ในปัจจุบันนี้ก็มีในที่สําคัญสําคัญนี่ครับพระชาต้องเน้นตรงจุดที่ว่าอบายมุกอย่าไปเล่นมันตรงนั้นอย่าไปทํามันตรงนั้นอันนี้ตัดได้ตัดก่อนเลยแล้วก็กินเนี่ยถ้าเรามีรายได้น้อยเราก็กินถูกหน่อย ก็อย่าไปกินรูมากตรงเรื่องของสมัมชีวิตามีอยู่ท่านผู้ฟังหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคนที่ได้เงินเดือน 10,000 บาทลองไปหาดูเขาสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาได้นะมีเทคนิคการใช้จ่ายทรัพย์ตรงนี้อยู่ซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ไม่ใช่แค่ในฐานนี้ฐานเดียวนี่คือในฐานที่1นึ่ง่งแบบเป็น4ส่วนยังมีฐานที่2ต้องรู้จักเก็บเอาไว้ด้วยต้องมีส่วนที่เก็บเอาไว้ฐานที่1 น, นี่คือใช้จ่ายนะ ฐานที่2นี่คือเก็บเอาไว้นะป้องกันอันตรายฐานที่สามและฐานที่4อันนี้คือให้โดยฐานที่3าเนี่ยให้กับคนที่เราต้องการสงเคราะห์อาจจะภาษีสังคมไปงานศพให้มูลนิธิให้ญาติยืมอยู่ในฐานที่3นี้ฐานที่4อันนี้คือแบ่งเพื่อทาบุญเงินที่เราได้มาจะมากหรือจะน้อยก็ตามเทกี่หมื่นก็ตามต้องแบ่งใน4ฐานนี้และไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้นะ แบ่งเป็นสีฐานเนี่ยหน้าที่ของเราจะครบถ้วนเหมาะสมเราจะมีความสบายใจประเด็นตรงนี้คือทุดมุ่ังคือความสบายใจความให้ไปถูกต้องตามธรรมถ้าสมมติเงินที่เราได้มาแล้วไม่ได้แบ่งใจ่ายในฐานสี่ข้อนี้มันจะมีความพร่องมีรูรั่วมีช่องโหว่ทำให้จิตใจของเรานะั้นมันมันไม่สูงมันไม่ดีมันไม่เป็นประเสริฐแต่ถ้าเราแบ่งใจ่ายในฐานสีฐา น, น, นในการเลี้ยงดู คนต่างๆได้บร้อยในฐานที่หนึ่งในการเก็บเอไว้แต่เพื่อยามยากวันฝนตกฐานที่สองฐานที่3ในการสงเคราะห์คนอื่นๆนได้ที่ควรสงเคราะห์และฐานที่สี่นี่คือในการทําบุญสร้างบุญให้กับเนื้อหนาบุญเพื่อบุญมันเกิดคือไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยก็เลยว่าเอาเงินไว้คอ่อยก่อนฉันไม่สร้างบุญด้วยการให้ทานหรอกอันนี้คิดผิดมีน้อยก็ต้องให้น้อยด้วยมูฟังฐานที่4นี้ก็ต้องมีฐานที่1ก็ต้องกินให้มันน้อยลง นใหมันเหมาะสมกับฐานะอันนี้เราต้องรู้จักบริหารจัดการพระพุทธเจ้าใช้คําว่าบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องแล้วก็ต้องมีเทคนิคก็ต้องถามผู้รู้บ้างอะไรบ้างทีนี้ในกรณีที่3ที่คุณดวงใจยกมาเป็นกรณีศึกษาในที่นี้เนี่ยว่าถ้าเราแบ่งเงินให้ท่านแล้วปรกวากฏว่าพ่อแม่เอาไปใช้ให้คนนั้นให้คนนี้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวน้อยให้คนอื่นมากจนทาให้ท่านเดือดร้อนขึ้นมานี่ แล้วก็มาขอเงินเพิ่มจากเราเนี่ยเพราะว่าคนอื่นที่แม่ไปสงเคราะห์เช่นสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์หลานอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าทําให้ตัวแม่เอ ง, เองก็ไม่พอใช้แล้วถ้าท่านต้องมาขอจากเราเพิ่มเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรก็กลับมาที่หลักการเดิมก็ต้องตัวเราต้องรู้จักบริหารจัดการนะที น, นี้ถ้าแม่บริหารจัดการไม่เป็นก็ต้องสอนหลักการนี้ให้ท่นานจ่ะนะว่าเฮ้ยคนประเสริฐเข้าบริหารจัดการกันแบบนี้นะ แม่พ่อต้องมาพิจารณาตรงนี้ให้ดีแต่เพราะว่าเป็นทางประเสริฐท่านใช้ใจไปนในเรื่องอะไรอบายมุขหรือไม่แต่ตรงนั้นต้องรู้จักปิดกัน้นถ้าเรามีการบรหิหารจัดการให้มันถูกในตระบูญฝังแล้วด้วยจิตใจที่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเท่าไหร่มันก็พอในตระบฝังอย่างคนเข็นใจเนี่ยคนที่เขามีรายได้น้อยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันเป็นอนาคามีก็มีแต่ซึ่งเขาก็รู้จัก การบริหารใช้จ่ายอย่างถูกต้องแต่ชีวิตก็ยังฝืกเครื่องนะ่ะก็เพราะว่าตัวเองไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานมาทําให้โภคทรัพย์มีน้อยแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในการใช้จ่ายทรัพย์ฐานที่4นี่ไงที่ว่าให้รู้จักรสร้างบุญด้วยการให้ทานแต่ตัวนี้เรารู้จักแบ่งทํางบประมาณให้ถูกให้มีความถูกต้องเหมาะสมท่านะครเจ้าเน้นย้นะํานะท่านฟังว่าในการทํางบประมาณก่อนล่วงหน้าเหมือนกับคนถือตาช่างเขาต้องรู้ รายรับรายจ่ายทีนี้กรณีศึกษาที่คุณดวงใจถามมาเพิ่มเติมอีกว่าลูกบางคนเนี่ยไม่ให้เงินพ่อแม่ด้วยเหตุผลว่าเงินเดือนน้อยค่าใช้จ่ายของตัวเองเยอะอันนี้ต่อไปแล้วนะําฝังนะว่าเราต้องรู้จักบริหารใช้จ่ายให้ถูกต้องพ่อแม่ต้องมาก่อนคนในครอบครัวจะลูกหรือว่าคู่ครองเนี่ยมาทีหลังมานดาบิดานมานาบิดาเนี่ยท่านเลี้ยงเรามานะ เราโตใหญ่ขึ้นมาได้จนมีคู่ครองมีลูกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีมาดาปิดาอันนี้ก็ต้องไล่มาตามระดับตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของความเดือดร้อนแต่ว่าไอ้บางคนก็เดือดร้อนเรื่องเงินอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเงินช็อตบ้างเงินขาดบ้างกรณีของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยจังหวัดที่เงินชอ็อตเงินขาดก็มีเกิดความเข็นใจเกิดความเดือดร้อนท่านก็ยังไม่เหินห่างจากการให้ทาน มีการใช้จ่ายซับในสีฐานอย่างที่ว่าเนี่ยสำคัญมากเลยแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้มากเท่าเดิมไอ้ที่มันละเอียดอ่อนแม้รู้ร้าฟู่ฟ้าเอากดลดลงในกะารใช้ จ, จ่ายมือถือก็ปรับแผนให้มันใช้น้อยหนะ่อยในการใช้จ่ายหลายๆอย่างที่บางทีเรามองข้ามไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูให้มันละเอียดเนี่ยมันปรับลดได้ในกะารวางแผนล่วงหน้าการจัดจ่ายในเรื่องของงบปรมะมาณจะเป็นเรื่องที่สําคัญ ค่าใช้จบางอย่างเราเห็นว่ามันสําคัญสําคัญน่ะแต่จริงๆมันมันไม่สําคัญแตนะ่มันไปใช้ที่อื่นก็ได้หรือเมื่อก่อนเราไม่เห็นจะต้องมีเดี๋ยวนี้ทำไมจะต้องมีมันมันดูให้ดีอ่มันไม่ใช่บ้าตามกระแสสังคมอย่างเดียวอันนี้จะต้องรู้จักการพิจารณาให้รอบคอบเหมือนกับนายช่างที่เขายกตาช่างขึ้นอย่างดีว่าอันนี้นคือคําถามที่มาใช้เป็นกรณีศึกษาของคุณดวงใจถามาเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ ในกรณีของทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็ของการแบ่งให้มารดาพิดาด้วยวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญพีีปุณโนจากวัดป่าด่อนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริิป่าน